สักกี่คราวก็ยังเหมือนเดินไม่มีใครให้ใจอ่นอยากจะหาคนที่ทำให้ใจสมดุลแต่ไม่เคยสงวันสักทีไกลนาเนาวทุกครั้ง ไม่มีคนใครคิดถึงอยากมีใครรักให้ซึ่งหมือนคนอื่นเขาไกลหนาวทุกครัใครจะดูการยิ่งเหงาต้องทนหนาวกับใจที่เหงาคนเดียวอย่างเคยลมหนาวมาเมื่อไดใจฉันคง วันที่มันเหน็บหนาวให้รู้จะทนได้นานเท่าไรลมหนาวมาเมื่อใดใจฉันกลัวขาดใจเพราะหัวใจที่มันอ่อนไหวไม่เคยได้รักจากใครสิกที ไกลนาหนาวทุกครั้งไม่มีคนคอยคิดถึงอยากมีใครให้รักให้ซึ้งเหมือนคนอื่นเขาไกลนาหนาวทุกครั้งใครดูดูการยิเงาตองทเหนาวกับใจที่เงาคนเดียวอย่างเคย คือวันที่มันเน็บหนาวไม่รู้จะทนได้นานเท่าใดลมหนาวมาเมื่อใดกลัวฉันกลัวขาดใจเพราะหัวใจที่มันอ่อนไหวไม่เคยได้รักจากใครสักีที่เคยมีใคร ใไม่เคยมีใคร